เ น, นีมาขึ้นข้อความในมหาปริณิพานสูตรอปริหานิยธรรมอีกเจ็ดประการในข้อเจิบสองหน้าสองสสิบสาตรงนี้เนี่ยนะจ็ข้อนี้เขาเรียกว่าสัต์ธรรมเจ็ดก็ได้ถ้าทั่วๆไปในจารณะสิบหเรียกว่าสัตยธรรมเจ็ดประการจารณะสิบห้ามีอะไรบ้างเช่นศีลอินทรีสังวรโพชนามตันยุตาชาคิริยานุโยกสี่ข้อก่อนนะใช่หที่ ที่เหลือหลังจากนั้นก็ศรัทธาหิริโอตปะ พ, พ, พหูสูตรวิริยะสติปัญญาแล้วก็ฌานสีร่รวมกันแล้วก็จะเป็นจรณะสิบห้าในข้อเจ็ดสิบสองนั้นพระองค์เอาสัต ธ, ธรรมเจ็ดประการมากล่าวเป็นอปริหานิยธรรมดังที่พระองค์ตรัสว่าดูก่อนพิสูนทั้งหลายตถาคตจักแสดงอปริหานิยธรรมเจ็ดประการอีกหมวดหนึ่งแก่เธอทั้งหลายเธอทั้งหลายจงฟังจงทาไว้ในใจให้ดี จงฟังก็คือปรตโขโะจงทำไว้ในใจให้ดีก็คือโยนิโสมนัสิการอันนี้ทั้งสองอย่างนีถือว่าเป็นปัจจัยที่สำคัญมากของสัมมาทิฏฐิของปัญญาเนี่ยนะปัจจัยแห่งปัญญาจริงๆแล้วมีสองอย่างก็คือปรตโขโะหมายถึงการฟังเสียงโฆษณาหรือีเสียงกึกกล้องจากผู้อื่นก็คือการฟังธรรมนั่นเอง ส่วนการทําไว้ในใจก็คือโยนิสโสมนัสิการสองประการนี้เป็นอาหารของปัญญาพิสูจน์ทั้งหลายเหล่านั้นก็กราบทูลรับว่าพร้อมแล้วพระเจ้าค่าพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงมีพระดํารัสดังต่อไปนี้ว่าดูก่อนพิสูุทั้งหลายก็ภิกษุทั้งหลายยังจักเป็นผู้มีศรัทธาตลอดกาลเพียงไรภิกษุทั้งหลายพึงหวังความเจริญอย่างเดียวหาความเสื่อมนี้ได้ ข้ 1> 1อหนะข้อสดูก่อนพิสษุทั้งหลายและภิกษุทั้งหลายยังจะเป็ น, นผู้มีฮิริตลอดการเพียงไรภิสูุทั้งหลายเพึงหวังความเจริญอย่างเดียวหาความเสื่อมไม่ได้ดูก่อนพิสษุทั้งหลายภิกษุทั้งหลายยังจะเป็นผู้มีโอตตปะตลอดการเพียงไรพิกษุทั้งหลายเพิงหวังความเจริญอย่างเดียวหาความเสื่อมไม่ได้ดูก่อนพิสูุทั้งหลายภิสูุทั้งหลายยังจะเป็นผู้ เป็นพหูสูตรตลอดการเพียงไรภิสูจทั้งหลายพึงหวังความเจริญอย่างเดียวหาความเสื่อมไม่ได้ดูก่อนพิสูุทั้งหลายก็พิกษ like ุทั้งหลายยังจักเป็นผู้ปรารพความเพียนตลอดการเพียงไรพิสูจทั้งหลายพึงหวังความเจริญอย่างเดียวหาความเสื่อมไม่ได้ดูก่อนพิษูุทั้งหลายก็พิสูุทั้งหลายยังจักเป็นผู้มีสติเข้าไปตั้งเอาไว้ตลอดการเพียงไร ภิกษุทั้งหลายพึงหวังความเจริญอย่างเดียวหาความเสื่อมนี้ได้ดูก่อนภิกษุทั้งหลายก็ภิกษุทั้งหลายยังจับเป็นผู้มีปัญญาตลอดการเพียงไรภิกษุทั้งหลายพึงหวังความเจริญอย่างเดียวหาความเสื่อมนี้ได้คุณธรรมเจ็ประการ น, นนะก็คือศรัทธาฮิริโอต ป, ปะสุตวิริยสติปัญญาถ้าสังเกตดีๆก็คือสามข้อหลังก็เป็นวิริยสติปัญญาใช่ไหม ข้อก่อนหน้านั้นก็คือถ้าจําอินทรีย์ได้สี่ข้อแล้วนะศรัท ธ, ธาวิริยสติปัญญาสีเป็นอินทรีย์สี่ข้อบวกฮิริโอตปะแล้วก็บวกพหูสูตรอีกคำหนึ่งก็จะเป็นสัต ธ, ธรรมเจ็ดนั่นเองดูก่อนพิสูจนทั้งหลายก็อปริหานิยธรรมเจ็ดประการเหล่านี้ยังจัดตั้งอยู่ในภิสูจน์ทั้งหลายและพิสูจน์ทั้งหลายจักเห็นดีร่วมกันในอปริหานิยธรรมเจ็ดประการเหล่านี้ ตลอดการเพียงไรภิกษุทั้งหลายพึงหวังความเจริญอย่างเดียวหาความเสื่อมไม่ได้เจริญขึ้นเจริญ ข, ขึ้นอย่างเดียวอปริหานิยธรรมที่แปลว่าธรรมที่ทําให้ความเจริญเนี่ยเจริญขึ้นโดยที่ไม่มีเสื่อมเลยอย่างข้อแรกที่บอกว่าศรัทธาคําว่ามีศรัทธาเนี่ยเน้นสภาวะธรรมสภาวะของศรัทธาถามว่าที่โคจรของศรัทธาอยู่ที่ไหนก็อยู่ที่คุณของพระรตนาตรายัยถ้ายังมีศรัทธา มีความผ่องใสในพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสังฆคุณอยู่เพียงใดเจริญอย่างเดียวไม่เสื่อมเนีย่ยในข้อหนึ่งนะข้อสองถ้าเกลียดริตระอาชิงชังต่อความชั่วทางกายวาจาใจายอยู่ถ้ายังรังเกียจบาปทางทางกายวาจาใจายอยู่เพียงใดก็ยังเจริญอยู่เพียงนั้นแล้วก็เป็นพระหูสูตรเ น, นี่ยนะ ยังยินดีในสุตตะยังยินดีในการฟังอยู่เพียงใดก็ยังเจริญอยู่ไม่เสื่อมอยู่เพียงนั้นหรือปรารบความเพียรเพื่อถึงธรรมที่ยังไม่ถึงอยู่เพื่อเพิ่มพูนคุณธรรมอยู่ก็ไม่เสื่อมแล้วก็มีสติเข้าไปตั้งไว้นระลึกถึงสิ่งที่ทำคำที่พูดแม้นานได้ไม่เผลอเรอถ้ายังตั้งสติเอาไว้ได้ก็ไม่เสื่อมและสุดท้ายก็คือปัญญารู้ความเกิดความดับอันเป็นอริยะเนี่ยนะ หมายความว่าปัญญาที่รู้เหตุเกิดโดยอาการ25รู้ความดับโดยอาการ25ในอุปาทานขันห้าถ้าเข้าใจอย่างนั้นได้ก็ไม่เสื่อมในอัตถกาลหน้า355อธิบายคำว่าศรัทธาศรัทธาแล้วจริงๆเนี่ยโดยศั์ยกตัวอย่างมาสี่ตัวอย่างว่าอาคัมมณียาศรัทธาอธิคมะศรัทธาภาษาท่ศรัทธาและโอกลับปณะศรัทธาศรัทธานี่แบ่งอยู่4ประเภท สัทธาประเภทที่หนึ่งอคัมภิญจะัทธาอันนี้ย่อมมีแก่พระโพธิสัตว์ผู้สัพพันยูก็คือศรัทธาศรัทธาของพระโพธิสัตว์ผู้ปรารถนาโพธิญาณศรัทธาของพระโพธิสัตว์ที่ปรารถนาจะเป็นพระพุทธเจ้าและมีศรัทธารักษาศรัทธาอย่างต่อเนื่องจนได้แต่สรุปเป็นพระพุทธเจ้าศรัทธาของพระโพธิสัตว์ผู้เลื่อมใสหลังอย่างนี้อย่างสืบเนื่องอย่างนี้เรียกว่าอคมัมภิญจะัทธา อ่ะ น, นะเรียกอคคามนียสัทธาไป็นเรียกว่าสัทธาพิเศษอ่ะ น, นะอย่างที่สองอธิคมะปัสสาธาสัทธาเนี่ยนะหรืออธิคมสัทธาหมายถึงสัทธาของผู้ที่มีความเลื่อมใสไม่หวั่นไหวของพระอริยะบุคคลอ่ะ น, นะก็คืออธิคมหมายก็ว่าสัทธาของผู้ที่บรรลุธรรมแล้วสัทธาของผู้ที่เห็นอริยาสัจแล้วสัทธาของผู้ที่กําหนดรู้ทุกละสมุทัยธรรมนิโรธให้แจ้งเจริญอริยมรรคอันประกอบไปด้วยองแปด ศรัทธาของพัทรยะบุคคลเหล่านี้เรียกว่าอธิคมศรัทธาศรัทธาของผู้บรรลุธรรมส่วนภาษาท่าศรัทธาอย่างที่บอกถ้าใครพูดว่าพุโทโธธรรมโมสังโฆก็เลื่อมใสผ่องใสสบายใจเนี่ยนะคิดง่ายๆว่าวได้ยินคําว่าพุโทโธก็สบายใจอะ่ะพวกนี้เรียกว่าภาษาธาศรัทธาแปล ว, ว่าความเลื่อมใสแห่งใจนะเลื่อมใสอ่ะนะฟังแล้วก็สบายใจอิติปิโสสบายใจแล้ว ส่วนโอกับปณสัทธาก็คือความปักใจเชื่อก็คือดิ่งอะนะปักใจเชื่อว่าพระพุทธเจ้าเป็นพระพุทธเจ้าแน่นอนปักใจเลยนะบางคนเนี่ยปักใจนะอธิบายได้ไม่ได้อีกเรื่องหนึ่งนะแต่เชื่อไว้ก่อนเราไั้นะี่ความเชื่อทั้งสองอย่างท่านประสงค์เอาในที่นี้ก็คือประสงค์เอาภาษาทศรัทธากับภาษาทศรัทธาได้ยินว่าพุโทโธธรรมโมสังโฆก็สบายใจผ่องใสแล้ แล้วก็ปักใจเชื่อว่าพระพุทธเจ้าเป็นพระพุทธเจ้าแน่นอนบอกว่าผู้ที่ประกอบด้วยศรัทธาเป็นผู้น้อมไปในศรัทธาเช่นเดียวกับพระวักตริเนี่ยนะพวกนี้มีแต่เจริญอย่างเดียวไม่มีเสือ่อมแต่ที่สำคัญนะนะศรัทธาเนี่ยต้องตักลงที่ไหนดีพระพุทธคุณนะบอกว่าศรัทธาเนี่ยเป็นทรัพย์ชนิดหนึ่งไนงะ เมื่อศรัทธาเป็นทรัพย์เนี่ยนะถ้าเราแบ่งเอาศรัทธาไปเลื่อมใสไว้ในสถานที่ที่ไม่ควรเลื่อมใสเนี่ยศนระัทธาศูญย์เปล่าแน่เราว่าเหมือนลงทุนผิดที่มั้งกันลงทุนในที่ที่มันผิดพลาดแต่ถ้าศรัทธาปริมาณถึงไม่มากแต่ถ้าเลื่อมใสในวัตถุอันเป็นที่ตั้งแห่งความเลื่อมใสคือพระัตนะไตรเชื่อได้เลยว่าศรัทธาของเขาเนี่ยเจริญงอกเงยเจริญงอก ง, ง, งามยิ่งยิ่งขึ้นที่เป็นเช่นนี้เพราะเขาเลื่อมใสในวัตถุ สมควรอันเป็นที่ตั้งแห่งความเลื่อมใสจริงๆเป็นที่ตั้งแห่งความเลื่อมใสเพราะยิ่งพิจารณาพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณโดยประการรายๆยิ่งเข้าใจมากเท่าใดศรัทธาก็ยิ่งมากขึ้นมากขึ้นเท่านั้นเพราะอะไรเพราะที่ตั้งแห่งศรัทธานะเป็นที่ตั้งอันประเสริฐสูงสุดคือป ร, รัตนะไตรยนั้นก็ท่านน้อมใจดิ่งคล้ายกับพระวัตรลินี้ก็สามารถทำที่สุดแห่งทุกได้เพราะนนั้ผู้ที่มีเรื่มมีศรัทธาแบบนี้ ถึงจะไม่ใช่สมัยพุทธกาลแต่ก็เลื่อมใสในการประพฤติเจดีย์ยังคณะวัดหรือโพที่ยังคณะวัดอนันเห็นพระเห็นพระเจดีที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุก็เลื่อมใสสบายใจน้อมใจไปหรือเห็นต้นโพเนี่ยนะก็ระลึกถึงโพที่ปักขยธรรมระลึกถึงอริยมรรครละลึกถึงโสดาปติมรเป็นต้นระลึกถึงโพที่ปักขยธรรมที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้แล้วก็ระลึกถึงคําสอนปฏิบัติตามข้อปฏิบัติ เนะนี่ยนะเช่นอุปชายวัตรอจาริยวัตรเป็นต้นอันนี้แหละเรียวกว่าลักษณะของผู้มีศรัทธาถ้ายังมีศรัทธาอย่างนี้อยู่ก็ไม่เสื่อมเนี่ยนะแต่ถ้าศรัทธาเหล่านี้เหือดแห้งไปเมื่อใดเนี่ยนะขุนมัวเมื่อไรเนี่ยนะบอกโอ้ยบอกว่าพระบางรูปเขาบอกว่าขี้เกียจมากเลยสวดมนต์อะไรนั่ะจิติพิโสเมื่อไร่ก็ง่วงขี้เกียจมากถ้าอย่างนี้ก็เสื่อมจริงๆเลยแหละขนาดว่าพระพุทธเจ้ามีพระคุณเช่นนะี้ยังไม่เลื่อมใสเลยนะ จะกล่าวไปใหญ่ถึงคนอื่นเพราะฉะนั้นเขาบอกว่าอันนี้วิธีสังเกตส่วนตัวบอกว่าขณะพระพุทธเจ้าเขายัางไม่เลื่อมใสนะอย่าคิดนะว่าเขาจะเลื่อมใสเราขณะพระพุทธเจ้าดีขนาดนี้นะเขายังไม่สนใจเลยอย่าคิดว่าเขาจะเลื่อมใสใครได้อีกนานอย่างสมมุติถ้าหากว่าบุคคลที่ไม่เลื่อมใสพระพุทธเจ้าเนี่ยนะโดยส่วนตัวมีความคิดว่าเป็นบุคคลที่ไม่น่าสนใจเลยใครที่ไม่เลื่อมใสในพระพุทธเจ้าเนี่ยพูดถึงพระพุทธเจ้าแล้วจิตคุณมัวเป็นบุคคลที่ไม่น่าสนใจเลย บอกทำไมบอกขนาดคนดีระดับพระพุทธเจ้าทนต่อการที่สูดเป็นที่ตั้งแห่งความเลื่อมใสสมบูรณ์ด้วยพระคุณทุกอย่างเขายังไม่เอาเลยแล้วคนอ่าแล้วแล้วคนอื่นเนี่ยเขาจะไปพักดีสักกี่วันเชียวเนี่ยนะนะก็เหมือนอย่างที่เขาบอกว่าแบบชาวโลกเราคุยกันอ่ะนะนะบอกว่าขนาดพ่อแม่ดีกับเขาขนาดนี้นะเขายังทําได้ลงคอเขาไม่ต้องพูดถึงคนอื่นออกมานะขนาดนี้กับพ่อแม่เขานี่ยเนี่ยยัอยอยอยงอย่างนี้เลยอ่ะนะเพราะอันนี้ก็เหมือนกัน ขนาดพระพุทธเจ้าส่งพระคุณที่ยิ่งใหญ่มีพระคุณหาประมาณไม่ได้เขาไม่สนใจที่จะเลื่อมใสในพระพุทธเจ้าเขาไม่อยากคิดถึงพระพุทธเจ้าเขาไม่สนใจพระพุทธเจ้าก็แปลว่าไม่ใช่บัณฑิตพอที่คู่ค ว, วครแตการคบหาสมาคมนัม้นห่างไว้เราก็ไม่เสื่อมเนี่ยนะนะแต่ถ้าหากว่าเราได้ใกล้รู้จักคนที่เขาเลื่อมใสในพระพุทธเจ้าเขามีความพักดีต่อพระพุทธเจ้าเขาฝากใจของเขาถึงจะ ศรัทธานั้นจะมากจะน้อยก็ช่างแต่แต่ได้ตั้งในวัตถุที่ที่เป็นที่ตั้งแห่งความเลื่อมใสเขาเรียกว่าวัตถุอันเป็นที่ตั้งแห่งความเลื่อมใสอันเลิศพราะะฉนั้นแน่นอนที่สุดในที่สุดเขาทําที่สุดแห่งทุกได้นี่นะเพราะว่านะว่าศรัทธาจะน้อยก็จริงแต่ว่าลงเหมือนกับว่านักลงทุนก็ลงทุนถูกที่ว่างั้นเถอะลงทุนในที่ที่เรียกว่าหามีกําไรหาที่สุดไม่ได้อย่างที่พระองค์บอกว่าไม่สามารถนับผลแห่งบุญของผู้ที่เลื่อมใสต่อ พระพุทธเจ้าได้นะนะเพราะอะไรเพราะว่าพระพุทธคุณนั้นหาประมาณไม่ได้ต่อไปมีหิริก็คือเกลียดบาปโอตะปะกลัวบาปกลัวบาปทางกายวาจาและใจเนี่ยนะอึดอัดขยะขยะงรังเกียจความชั่วทางกายวาจาใจเรียกว่ามีหิริโอตะปะถ้ายังเกลียดต่อความชั่วถ้ายังรังเกียจต่อความชั่วก็สุจเจริญอย่างเดียวโดยไม่เสื่อมเนี่ยนะเจริญอย่างเดียว ส่วนข้อต่อไปนี้พหูสูตรพหูสูตรนี่มีอยู่สองอย่างนะสุตตะนี่มีสองอย่างคือปริยัตพหูสูตรและปฏิเวทพหูสูตรปริยัตพิพหูสูตรก็หมายความว่าฟังพระไตรปิฎกมาเยอะของเราเนี่ยเฉพาะที่เรียนที่นี่ได้ไปกี่เล่มลนะอะไรบ้างพิสุดทีิมักปัญญานิเทศอันนะ้นหนึ่งอันนัอะไรอุทานจริยาปิฎกพุทธวงศ มัชฌิมนิกายบางส่วนปฏิสัมพิธาบางส่วนสุตานิบาตบางส่วนโอ้เยอะเหมือนกันนะเนติปกระ์เน่ยจบไปเยอะเหมือนกันนะเนี่ยเดียวก็จบแล้วพระไตรปิฎกอ่ะนะทให้เลิกเรียนซะ ก, ก่อนพันปิฎกสามเนี่ยนะนะการที่ได้ยินได้ฟังเนะี่ยหมายความว่าติดตามเรื่องของคำสอนได้อย่างต่อเนื่องอย่างนี้เรียกว่ามีสุตานะหมายถึงสติปัญญาที่ต่อเนื่องในเรื่องของคาสอน เรียกว่าพหูสูตรทางปริยัตส่วนผู้ที่เห็นอริยสัจเข้าถึงอริยสัจถึงทุกข์ด้วยการปริญญาเนี่ยนะสมุทัยด้วยการละนิโรธ ด, ด้วยการทำให้แจ้งอริยมรดด้วยการเจริญ ม, มันผู้ที่แทงตลอดอริยสัจเรียกว่าปฏิเวสสุตตะในที่นี้เอาเอาปริยัตเนี่ยนะถ้ายังเป็นผู้มีสุตะมากยังยินดีในคาสอนยังพอใจในคาสอนยินดีในการฟังคาสอน ถ้ายังพอใจในคำสอนยินดีในคำสอนยังฟังคำสอนอยู่ก็ไม่เสื่อมนะวางได้เลยว่าไม่เสื่อมนะถ้ายังรักคำสอนะนะก็ไม่เสื่อมแต่ถ้าว่าโอ้ยเบื่อคำสอนแล้วเนี่ยนะถ้าอย่างงี้ก็เสื่อมสำหรับระหูสูตรเนี่ยมีอยู่สสี่ประเภทด้วยกันนะหนึ่งนิสัยมุตตกะสองปฏิรูปถาปะกะสามพิคุโนวาทะกะ 4. สี่สัพพัฒพผงหูสูตรตะ ประเภทที่หนึ่งเนี่ย น, นิสัยมุตตกะอันนี้สําหรับพระผู้ที่จะพ้นนิสัยได้พันศาห้ามีคุณสมบัติอย่างนี้พ้นจากนิสัยได้ก็เลยเรียกว่านิสัยมุตตกะพู้หูสูดส่วนอย่างที่สองเรียกว่าปริสู ป, ปัถาปะกะก็หมายคือว่าให้สั ม, มนเณีให้พระพิสูุอุปถากได้เมื่อพันศาสิบขึ้นไปแล้วมีคุณสมบัติเช่นนี้เช่นนี้ให้ภิสูตสัมเณีอุปถากได้หรือว่าถ้าพันศายี่สิบไปแล้วมีความสามารถเท่านี้เท่านี้ เป็นภิกขุโนวาทกะมหมความว่าสั่งสอนภิกษุณีได้